ใครเป็นบาดก็นั่งหลังๆ ห, หน่อยนะหลวงพ่อก็อยังไม่ค่อยแข็งแรงรับเชื้อแล้วก็ป่วยนานนี่ไปเทศข้างนอกมาหลายรอบนะไม่ได้ตรวจกันบ้านเลยไม่มีแรงหายใจไม่ทันพวกเรา พยายามช่วยตัวเองให้มากหลวงพ่อเทศมียูทู e มีอะไรเงี้ยเยอะพยายามฟังสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่ฟังทั้งวันทั้งคืนฟังแล้วก็สังเกตร่างกายสังเกตจิตใจตัวเองไปจุดสำคัญของการปฏิบัติก็คือต้องรู้สึกตัว คำว่ารู้สึกตัวก็คือถ้าภาษาไทยโบราณเลยนะแล้วมันสื่อตรงมากเลยคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่จิตใจล่องลอยหนีไปทั้งวันแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่ใช่นั่งบังคับกายบังคับใจให้มันเครงเครียดเนื่องได้ที่ผิดมีสองงา น, นหนึ่งคือลืมตัวเองไปใจล่องลอยไปอีกงานหนึ่งคือบังคับใจตัวเองควบคุม จ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจมันหนุ่มเนี้ยมันจ้องอยู่อย่างนี้มันได้ถูกมันไม่ใช่ทางสายกลางมันมันตึงไปถ้าจ้องนะถ้าเผลอเนี่ยหย่อนไปถ้าเราเข้าทางสายกลางไม่ได้จิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันทำมิปัสนาเจริญปัญญานี่ไม่ได้ตอนที่หลวงพ่อภาวนา หลวงปูดูลหลวงูดูลรับรองแล้วว่าภาวนาถูกแล้วนะช่วยเตืองได้แล้วหลวงพ่อออกไปดูสำนักต่างๆนะสายโน้นสายนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะไปดูเฉพาะสายวัดป่าสายอื่นก็ดูพองยุบก็ไปสายหลวงพ่อเทียนสายท่านพุทธทาสอ่างเงี้ยไปที่มีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะๆไปดู พบเลยปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัตินะทุกสายเหมือนกันนะไม่เผลอก็เพ่งบางคนว่าพุดโธพุโทโธแล้วก็เคลิมไปนะทำใจให้เลื่อนๆลอยๆให้ใจเบาๆเคลิ้มๆพุโธพุโธอะไรเงี้ยบางคนก็บังคับตัวเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะบังคับ พวกดูลมหายใจบางทีก็ใจล่องรอยลืมการหายใจทีจิตก็ไหลไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจเคร่งเครียดพวกขยับมือบางทีก็ใจก็หนีไปที่อื่นบางคนใจไปเพ่งอยู่ในมือบางคนทำใจทื่อๆขยับไปแต่ทำใจนิ่งๆแข็งๆทื่อๆพวกดูท้องพองยุคที่จิตหนีไป คิดเรื่องนนเรื่องนี้กระท่านคิดคำว่าพองคำามายุบมันก็คือคิดพองหนอยุบหนอบริกรรมไปเรื่อยๆเป็นสมถะบริกรรมไปเรื่อยๆได้แต่ความสงบที่จิตก็ไหลลงไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องบาที่ก็พองไปยุบไปก็หนีไปที่อื่นมันเหมือนกันทุกสํานักอะมันไม่ใช่ว่า วิธีปฏิบัติแบบไหนดีวิธีปฏิบัติแบบไหนไม่ดีนะถ้าวิธีไหนสติถูกต้องสมาธิถูกต้องวิธีนั้นดีทางนั้นแหละวิธีไหนมันก็ใช้ได้ทางนั้นขอให้มีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องสติถูกต้องเป็นยังไงหมายถึงว่ามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้สึก สติเป็นคนรู้สึกเป็นคนรู้ทันเงี้ยถ้าร่างกายเราหายใจอยู่นะเราแทนที่เราอจกแค่รู้สึกนะเราก็ปิดจ้องถ้าอย่างนี้สตินี้แรงไปจะเป็นสมถะเฉยๆซื่อบือ้อเนี่ยสติที่ดีนะไม่แรงไปสติที่แรงเกินไปเนี่ไม่ดีในวิปัสสนนมีอยู่ตัวหนึ่งสติแรงเกินไป งั้นไม่ใช่ว่าท่านบอกให้มีสติมากๆ ม, มีสติมากๆหมายถึงมีสติบ่อยๆไม่ใช่มีสติอย่างรุนแรงเกินความเป็นจริงสติแค่ะระลึกรู้แค่รู้สึกไม่ใช่เครื่องมือของการเพ่งจ้องถ้าเอาสติไปเพ่งจ้องนะแรงเกินไปคาว่ารู้สึกอะเข้าใจคาว่ารู้สึกไหมยุงกัดเจ็บรู้สึก ไม่ใช่ยู่งกัดจ้องเจ็บหนอเจ็บหนอก็เจ็บสิวะม่อยุ่งกัดเนี่ยนะแค่รู้สึกอย่างตอนนี้ใจเราขำแค่รู้สึกนะใจขำเ ม, มื่ารู้ใจมันขำเนี่ยร่างกายพยักหน้าก็ยุกๆก็ยุ ก, ก, ะยกนะเหมือนกิ้งกาเลยนะยุกยุกๆุนะก็รู้สึกนะไม่ใช่บังคับเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกอย่างนี้จ้องไป เนืสติเนี่ยเป็นตัวคอยรู้สึกเป็นตัวระลึกตัวคอยระลึกเป็นัวตัวคอยรู้สึกไม่ใช่ตัวเอาไปเพ่งไปจ้องถ้าเอาสติไปเพ่งไปจ้องอารมณ์อันใดอันหนึ่งนะได้สมถะขึ้นวิปัสสนามไม่ได้สติอันนั้นแค่รู้สึกส่วนสมาธิเนี่ยภาษาไทยจริงๆที่ตรงเลยนะก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายแค่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจแค่รู้สึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายๆนะไม่ล่องลอยไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปจ้องบังคับใจให้นิ่งๆบั ง, บงคับใจให้นิ่งๆก็ใช้ไม่ได้นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวที่อยู่อย่างเงี้ยนะอยู่อย่างงี้ไม่ไป พิกลพิการภาวนาจนคอเคล็ดหลังเคล็ดอะไรเงี้ยเดินจงกรมยังพี่คนพิการไปหมดยังเวลาเดินจงกรมนะีมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่เดินแล้วใจล่องลอยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกอย่างเนี้ยมีสติมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิเมื่อเดินจงกรมเนี่ยสูท ข, ขาเราสองข้างมันไม่เท่ากัน สั้นข้างยาวข้างเนี่ยเวลาเดินต้องกระเพกกระเพกหน่อยเคยเดินกระเพกก็เดินกระเพกไม่ต้องทําเป็นจุ้ยเตะท่าต้องเดินให้เท่าเท่ากันเดินทักเดียวย่อไปทั้งตัวเวลาไปช้อปปิง้งใครเคยช้อปปิง้งยาวๆบ้างเกินหนึ่งชั่วโมงมีไหมเกินสองชั่วโมงสใครเคยช้อปปิ้งทีเดียวหชั่วโมง ก็มีเห็นไหมช้อปปิง้งต่ไม่เดินได้เดินจงกรมสิบนาทียี่สิบนาทีนะเคล็ดไปทั้งตัวเพราะช้อปปิ้งเนะ่สบายใจใช่มแต่ว่ามันไม่มีสติจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันเผลอเผลอ เ, ลอเลอนเฟื่อนไนะได้ทั้งวันแต่พอมามีสติคอยรู้สึกเนยนะทำไมมันยอกไปทั้งตัวเพราะมันบังคับตัวเองมันไม่ใช่ ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆนะมันบังคับตัวเองเอาแล้วจะหันไปดูแล้วว่าแต่ตู้นี้มีอะไรขายหันเนีนนน่ยอ้อยเนี่ยสมาธิถ้ดูเรียงคอจะเครียดเลยนะงั้นมีสองอย่างนะสติตัวหนึ่งสมาธิตัวหนึ่งสมาธิาธคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงหลงล่ อ, องลอยไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่อยู่แบบซื่อบื้อแข็งกระด้างอยู่สบายๆให้รู้จักคำว่าสบายบ้างตัวคำว่าสบายตัวคำว่าสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตใจไม่มีความสุขนะสมาธิจะไม่เกิดจิตใจเครียดเนี้ยเนี่ยยังไงก็ไม่สงบสมาธิไม่เกิดหรอกถ้าจิตใจสบายๆแต่ไม่ใช่ล่องลอยไป ให้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวรู้สึกไปสบายๆอย่างนี้จะได้สมาธิแล้วอีกตัวหนึ่งคือสติสติเป็นตัวระลึกรู้เป็นตัวรู้ทันมีอะไรเกิดในร่างกายรู้มีอะไรเกิดในจิตใจรู้สติก็ไม่ได้เอาไปจ้องอย่างรุนแรงอีกสมาธิก็ไม่ได้บังคับใจว่าให้นิ่งๆอย่างรุนแรงอีกเนี่ยทำให้มันถูกเมื่อเวลาพูดถึงสติเนี่ยหมายถึงสัมมาสติ พูดถึงสมาธิหมายถึงสมาถสถมมาทิสไม่ใช่มิจฉาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสติมิจฉาสติเป็นยังไงมิจฉาสติคือสติที่ระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆที่ไม่ใช่รูปนามกายใจสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินะคือสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจหรือสติปัฏฐานนั่นเองพระพุทธเจ้านิยาม สัมมาสตินะด้วยสติปัฏฐานบอคือสติปัฏฐานเมื่นถ้าเป็นสติรู้อย่างอื่นไม่ใช่สัมมาสติสติเป็นตัวระลึกรู้เท่านั้นไม่ใช่ตัวบังคับเพ่งจ้องนะถ้าเพ่งจ้องไม่ถูกไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องคือแค่ระลึกรู้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวระลึกรู้ขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่ระลึกรู้สิสอ น, นยังจะแทบตายก็ยังเป็นอย่างเดิม ร่างกายนั่งอยู่แล้วลึกรูกส้สินะเขกบาลใหเนี่ยดีหลวงพ่อกว้างไม่แม่นนะถ้ากว้างแม่นเนี่ยอยากจะกว้างหัวคนนี้ไม่โดดหัวคนอื่นเนยมันใช้ไม่ได้เนี่ยอย่างหนูเนี่ยชื่ออะไรหลวพ่อลืมแล้วมาวัดบ่อยๆแถวที่สี่เนะพรบอกว่าระลึกรูกส้สินะ ไม่ไดเหลืองอย่าไปบังคับรู้สบายๆตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเออนั่งอยู่รู้สึกนั่งไม่ใช่บอกตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกแล้วนั่งนะไม่เอาอย่าไปทําอะไรที่พิกลพิการอย่างนั้นตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมใครหายใจออกยกมือใครหายใจเข้า ก็ควรจะคนเดิมนะเพราะมา่กี้มันหายใจออกแล้วหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปแค่รู้สึกไอตัวนี้มันกำลังหายใจอย่าไปเพ่งที่ตัวลมนะถ้าเราไปเพ่งที่ลมหายใจลมมานี้นะ้ลมมานี้ลลมมนลอ ล, ล, ลมออกมานี้แล้วจะได้สมถะถ้าจะเดินวิปัสสนาต่อให้ง่ายๆนะ เห็นร่างกายนี้กำลังหายใจรู้มันทั้งตัวเวลารู้อวิยาบทสี่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนั่ก็รู้มันทั้งตัวเนี่ยร่างกายตัวเนี้มันกำลังนั่งไม่ใช่ไปรู้ตรงที่ก้นกระทบพื้นหรือเท้ากระทบพื้นเวลาเดินรู้มันทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งรู้สึกว่าร่างกายกาลังนั่งอย่างนี้เรามีสติแค่รู้สึก รู้สึกว่าร่างกายกำลังนั่งไม่ใช่จ้องนั่งแล้วนะนั่งหนอนั่งหนอไม่ได้แก่นสามไม่ได้แกลนสารสาระแค่รู้สึกอย่าตอนนี้ร่างกายนั่งรู้สึกไหมอย่ามาทาพยักหน้าเมื่อกี้ไม่รู้สึกเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดไปเรื่อยๆฟังไปคิดไปรู้สึกไหมรู้ไหมไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายนั่ง ร่างกายหายใจรู้ทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวนี้กาลังหายใจไม่ใช่ดูที่ลมนะลมมานี่แล้วลมออกมานี่แล้วทำอย่างนั้นจะได้ได้กระสินนี่เป็นสมถะส่วนใหญ่ก็พลิกไปทางกสินหลวงพ่อไปเล่นแต่เด็กท่านพาหลีสอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสนงหลวงพ่อก็นับนับนับไปเลยนะพอจิตสงบ ไอการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุดหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นพุโทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกล า, ายเป็นแสงสว่างอยู่ที่นี้อันนี้มันคือกระสินกสินหายใจเนะี่ยทากระสินได้หลายแบบเลยนะถ้าดูที่ตัวลมที่ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นะเรียกว่ากระสินลมถชเราดูรูจมูกที่ลมเคลื่อนผ่านนะดูช่องว่าง เป็นกระสินช่องว่างนะพอมันเป็นแสงขึ้นมาเป็นโอภาษ์ไปดูทิศแสงเป็นกระสินแสงเราะนั้นเป็นกระสินได้หลายอย่างเพราะนั้นธรรมานาตนสตินะไปทางอิทิลิ์ได้แต่ว่าถ้าหลงไปทางโน้นแล้วก็กลับยากหลวงพ่อกลับมาได้เพราะหลวงพ่อกลัวผีพระสว่างออกมาจนะิตออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวสวรรค์เที่ยวดูเทวดาเที่ยวอะไร ออกรู้ออกเห็นข้างนอกแล้วเสร็จแล้วนึกขึ้นได้ว่าถ้าไปเจอผีนี่จะทำไงกลัวผีงั้นต่อไปนี้จะไม่ให้จิตไหลตามแสงออกไปข้างนอกนะงั้นหายใจไปสว่างขึ้นมาแล้วอยู่กับความสว่างนี้จิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันนะตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนี้นะ่ะจิตจะตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมาจิตรวมลงไปนะโลกธาตุดับร่างกายหายเหลือแต่จิตดวงเดียว พอกลับมามีร่างกายมันจะรู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนณล่านกันขันนยแยกตลอดเลยเพราะเราพอหนาจนร่างกายมันหายไปนี่แต่ไปต่อไม่เป็นนะนี่มนเจอหลวงปู ด, ดุลท่านให้ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจก็เลยเดินตัญญาต่อได้ไม่งั้จิตก็ว่างอยู่นะกี่กปีกี่ปีกว่างๆอยู่ใช้ไม่ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึก ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกนะไม่ใช่เพง่งหายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วอย่างนี้ไม่เอารู้สแค่รู้สึกร่างกายนั่งรู้สึกคันนะเการ่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเกาเสร็จแล้วร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกค่อยรู้สึกเล ย, เลยตรงที่ร่างกายหายใจแล้วรู้สึกเนี่ยเรียกว่าอานาปนาสติตรงที่ ยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกเนี่ยเรียกว่าอิริยาบถตรงที่เคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเรียกว่าสัมปชัญญะอานาตนาสติบับพภะอิริยาบถบับพภะสัมปชัญญะบับพภะบับพภะหมายถึงบทอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นสติที่ระลึกรู้ร่างกายที่หายใจ สติที่รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนสติที่รู้ร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเป็นสติปัฏฐานนะถ้าเราเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี่ยควรจะได้อะไรบ้างสมัยพุทธกาลเขาเป็นพระอรหันหรือเป็นพระอนาคามีพวกเราอินทรีย์อ่อนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้โสดาก็บุญนักหนาละอย่ยไปโทษใคร ยินทรียของเราอ่อนกิเลสของเรากล้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอะไรนี้แรงไม่เหมือนคนรุ่นก่อนนะคนรุ่นก่อนครูบาอาจารย์สั่งให้ทําอะไรทําเลยไม่ถามหรอกครูบาอาจารย์สั่งให้พุโทโธก็พุโทโธเลยไม่ถามหรอกว่าพุโทโธไปทําไมของเราต้องถามให้ละเอียดพุดโทโธทําไมครับพุโทโธทําไมคะนบอกพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตให้จิตหนีไปแล้วเรารู้ทันรู้ทันแล้วยังไงคะ นะมันถามตอบไปเรื่อยๆไม่อยู่ฟังแล้วถ้ากว้างแม่นนะจะ ก, กว้างกระบาลเลยนะนี่เนินไม่แม่แมนจะกว้างคนนี้ไม่ถูกคนโ น, น้นะทําไมพระเซนเคยดูหนังไหมพระเซนถือไม้อย่างเงี้ยให้ลูกศิษย์นั่งตีคนนี้ทีตีคนนี้ทีตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหลวงพ่อรู้สึกมันศาสต์ดีเสหาเรื่องตีคนโน้นตีคน น, น, ค น, นี้ที่จริงคือลูกศิษย์มันนั่งภาวนาผิด เอาะมันให้มันรู้สึกเนี่ยถ้ามีไม้นี่จะเที่ยวไล่อเคาะออานะอื่นพวกเราเยอะเกินแต่คอไม่ไหวคืนเดินเออะพอจะถึงโน่นคอไปแถวที่สองแล้วไอแถวที่หนึ่งหลงใหม่ละ mm hmm. ไม่ไหวสู้ไม่ไหวฝึกให้ได้สองตัวหนึ่งให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่บังคับไม่ล่องรอย ก็ 2. มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกนะถ้าจิตใจอยู่กันเนือกตัวเนะี่ยมันก็จะพอรู้สึกได้นะแต่ถ้าสติแรงไปจิตใจอยู่กันเนือกตัวเลยไปรู้สึกแบบเพ่งนะใช้ไม่ได้รู้สึกสบายๆของง่ายของสบายไปทำให้ยากทำให้ซับซ้อนทำให้สับสนทำให้เหน็ดเหนื่อย ภาวนาไม่เห็นจะเหนื่อยทรงไหนเลยภาวนาแล้วมีความสุขออกภาวนากันได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับส่วนของเราภาวนาสิบห้านาทีจะขาดใจตายแล้วบอกเอา้าธรรมานาปรนสติหายใจสิบห้านาทีเกือบจะขาดใจแล้วมันไม่ใช่แค่รู้สึกเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับเงี่นไปฝึกสองตัวนะ มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ตัวไปสบายๆอย่านี้เกินไปมันแข็งไปแล้วมีสติอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกทําให้มากตรงที่มีสติให้มากเนี่ยเรียกว่าสัมมาวายามะตรงที่มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจเรียกว่าสัมมาสติการทำสติปัฏฐาน ตรงที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆไม่เผลอไม่เพ่งเรียกว่าสัมมาสมาธิงานในทางใจของเรามีสมอย่างนี้เท่านะั้นมีสติเนืองๆเรียกว่าสัมมาวายามะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเป็นสัมมาสติมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสัมมาสมาธิถ้าเรามีสอันนี้แล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้น ถจุดหนึ่งอริยมรรคเกิดขึ้นในมรรคมีองค์แปดรู้จักไหมมรรคมีองค์แปดมรรคมีเท่าไหร่มรรคมีกี่มรรคมรรคมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดเคยเห็นแมงมุมไหมแมงมุมหนึ่งตัวมีแปดขาใช่ไหมมรรคมีหนึ่งเท่านั้นแต่มีองค์ประกอบแปดแยกเป็นสามส่วน ส่วนของปัญญาส่วนของศีลส่วนของสมาธิส่วนของปัญญาคือการเห็นถูกกับการคิดถูกเห็นถูกคือเห็นยังไงเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เห็นถูกเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่อันนี้จงใจเห็นยังจงใจอยู่ยงเป็นปัญญาในขั้นโลกีโลกียะปัญญาคิดถูกคือคิดยังไง คิดโดยไม่ถูกราคะโท่สะโมหะครอบงำเวลาเราคิดเรื่องน้นเรื่องนี้นะราคะโท่สะโมหะครอบงำถ้าราคะครอบงำมันก็คิดไปเรียกว่ากามวิตกคิดไปในทางกามถ้าโท่สะครอบงำก็เรียกว่าพยาบาทวิตกคิดไปในทางขัดเคืองถ้าคิดด้วยโมหะนี่เรียกว่าวิหิงสาวิตกเรื่องน่าของโมหะ คิดแล้วมันจะเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นไปเด้่ฉนั้นมีความเห็นถูกคือคอยเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราไปมีความคิดถูกเวลาคิดนั่นที่จะตกอยู่ใต้อำนาจของราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นส่วนของการมีปัญญามีความคิดมีความเห็นที่ถูกต้องในส่วนของศีลมีวาจาที่ถูกถ้าเราคิดถูกคำพูดมันจะถูก แต่ถ้าเรามีมิจฉาสังกปะเราคิดผิดนะวาจาเราก็จะชัว่วงั้นถ้าเรามีความคิดถูกมีความเห็นถูกมันก็จะคิดถูกมีความคิดถูกคําพูดก็จะถูกมีคําพูดถูกมีคิดถูกมีพูดถูกการกระทาก็จะถูกมีสัมมารกรรมปันจะนะ มีสัมมาคัมมันตาแล้วมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาแล้วการดํารงชีวิตนะการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกมันทําผิดไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาเพราะฉะนั้นเวลาทำมาหากิจเลยก็จะไม่ไปชั่วช้าทรยศโคดกงใครหรือเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นหรือเบียดเบียนตัวเองก็จนะเป็นสมมาชีวะไปนี่ส่วนของศีลส่วนของปัญญามี ความเห็นถูกความคิดถูกส่วนของศีลมีวาจาถูกการกระทําถูกการเลี้ยงชีวิตถูกมันจะต่อเนื่องกันมานะลิงกันมาเป็นสายเลยเพอเห็นถูกจึงคิดถูกเพราะคิดถูกจึงพูดถูกเพราะพูดไม่ต้องมีออกเสียงก็ได้พูดอยู่ในใจพูดทั้งวันรู้สึกไหมพูดถูกการกระทําก็ถูกเพราะว่าการกระทำเนี้ยจิตมันเป็นคนสั่งถ้าจิตมันสั่งพูดสั่งในทางที่ดีการกระทํามันก็ดี ถ้าการกระทำเราดีแล้วการจะทำมาหากินสัมมาอาชีวะมันจะเกิดขึ้นเองมันจะไม่ชั่วหรอกนี่พราะเรามีสัมมาอาชีวะในะเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมนะความเพียรจะถูกความเพียรถูกเพราะเรามีสติเราจะเลี้ยงชีวิตถูกต้องได้เราต้องมีสติกำกับนะมีศีลศีลทั้งหมดก็อาศัยสติกำกับนะ มีสติเนืองๆทันทีที่มีสติเนี่ยอกุศลจะดับทันทีที่มีสตินีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่มีสติกุศลจะเกิดนะทันทีที่มีสติบ่อยๆกุศลจะเจริญขึ้นนี่คือองค์ประกอบสี่อย่างของสัมมาวยามะมีความเพียรละกิเลสที่กําลังมีมีความเพียรติดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดมีความเพียรทํากุศลให้เกิดมีความเพียรทํากุศลให้เจริญ เกิดบ่อยๆเกิดได้ด้วยการมีสตินั่นเองนี่ทีแรกเรามีสติคือรู้สึกรู้ๆนะต่อมาเราพัฒนาเป็นสัมมาสติไม่ใช่สติเฉยๆแค่รู้สึกละแจะเป็นสติที่คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเรามาพัฒนาขึ้นมานะนี้พระธรรมสติปัฏฐานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเห็นความสุขทุกเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้สึก เห็นความดีความชั่วเกิดขึ้นดับไปใจเป็นคนรู้สึกนเนี่ยพอตรงที่เรามีอะไรเกิดขึ้นแล้เรารู้ทันอนยะ่างใช่ใจหนีไปคิดเรารู้สึกสามารถสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะเรารู้ว่าใจเคลื่อนไปทํางานแนละ้วก็ใจจะหยุดกนันก็จิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเพราะฉะนั้นเราทําไปเรื่อยนะสุดท้ายจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็มีสติระลึกรู้ไปเรื่อย อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกมรคองคประกอบทั้งแดนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นสุดท้ายอาริยมรคจะเกิดขึ้นด้วยกำลังของสมาสมาธิสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กันณก็ตัวนี้เองสมาสมาธิเป็นที่รวมขององค์มรคทั้งเจ็ที่เหลือจนะอไปชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวช่วขณะเดียวเท่านะั้น คุณงามความดี37ประการเรียกโพธิปัจฉิยะธรรมมันจะรวมลงที่จิตดวงเดียวด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิจิตจะเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วเกิดกระบวนการของอาริยมรตเกิดเองเราไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดยังไงมันจะเกิดเองถ้าเราคอยคิดว่าเกิดหรือยังเกิดยังจะไม่เกิดเงนั้นพยายามฝึกนะรักษาศีลไว้แล้วก็มีสติคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไป พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็พัฒนาคุณงามความดีทางใจให้นไปคอยรู้ตัวบ่อยๆเป็นสัมมาว า, ามะรู้เท่าทันรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเป็นสัมมาสติมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลารู้ร่างกายก็จิตไม่ถลำลงไปในร่างกายเวลารู้จิตใจจิตไม่ถลำลงไป ในจิตใจยังมีความสุขขึ้นมาจิตไหลไปอยู่ในความสุขเนี่ยใช้ไม่ได้เรียกว่าไม่มีสมาธิมีแต่สตินะแต่สมาธิที่ดีไม่มีมีแต่สมาธิธรรมดาอยานั้นใช้ไม่ได้ต้ามีใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพอสติเราเริกรู้ร่างกายเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดนะูจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราเห็นมีสติเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นในใกายในใจนะ ใจเป็นคนดูอยู่นะก็จะเห็นเลยเวทนาก็ไม่ใช่เราจิต ท, ที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เรานะ้อมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นสังขารความดีความชั่วเกิดขึ้นในใจสติเป็นตัวรู้ว่าตอนนี้เกิดโลภโกรนหลงขึ้นมาละหรือเกิดกุศลขึ้นมาละสติเป็นตัวรู้ใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่ถลำไม่จมลงไปในโลภโกรนหลงไม่จมลงไปในสุขทุกข์ไม่จมลงไปในร่างกาย ใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะั่นเรียกว่ามีสมาธนะิมีสัมมาสมาธิเนี่ยฝึกบ่อยๆตัวหลักๆคือสติกับสมาธิถ้าทําให้มากก็เป็นสัมมาวายามะสติเป็นตัวรู้ทันคอยรู้บ่อยๆแล้วสติจะรู้ได้เองเห็นร่างกายหายใจทั้งวันนี้ต่อไปไม่ได้เจตนาจะเห็นก็จะเห็นเองเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็เห็นเอง สติเกิดจักจิตจำสภาวะได้แม่นเสริญสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอาศัยสติคอยรู้ทันจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวนะจิตใจนี้ไปคิดรู้ทั น, นสมาธิจะเกิดถ้ามีสติกับสมาธิบ่อยๆ เ, ยเรียกว่าเรากำลังปฏิบัติทางจิตอยู่ในองค์มรรคนั่นแหละสุดท้ายอริยมรรคก็จะเกิดขึ้ น, นไปทาเอาไปปฏิบัติเอา ให้กินข้าวตัวนี้ให้กินข้าวไม่ได้ให้เลิกปฏิบัตินะ่ะกินข้าวก็ต้องปฏิบตัติใจโลภขึ้นมารู้ทันใจโกรธขึ้นมาไอคนนี้มาตักของที่เราเล็งไว้โกรธแล้วรู้ทันนี่หมดนะครับ